บวกเก็บเนื้อบวกเก็บตัวบวกเก็บบวกไข่มันถึงมีบวกน่ะขันธรรมานมันถือบวงของม่านขันธรามะที่ดิมานอืะมันถือเหี่ยเฒานี่มันถือบวงเนี่ยที่นี่ขันถือบวงของม่านม่านจะมาเห็นจะไม่กรได้จุ้ยเฒนี่อย่เเก็บตากระได จะเจ็บหูก็ได้จะเจ็บแขนก็ได้จะเจ็บหัวแน่ก็ได้อืมคือกันจะเข้าไปหางบ่ <c oughs> วงบ่อยหางบ่วงบ่อยือเข้าไปห่างเนวรักเหวไ่อยดือเข้าไปรักเบียดบ่อยจะเป็นเป็นต้นเนี่ยโง่นว่ากินคนว่าถือถือแหวถือบ่วงเท่านะั้นเหตุจังไดอือบ่วงหยาดขอดจไปทางไหนได้ไปทางไหนพ้น อืมเหตุยังไองดิ่นไปมันกับบรุดฟื้ไปมันกับวขาดแม่พลาดจะห้องว่องมาเห็นเขาแล้วเห็นนกมันถือว่องเข้าไปเห็นตามป่าถนาเขาแล้วที่วัาจานจังไหนมันถือเหี่ยวเขานี่น่ะเขาคงจับเขาแล้วเห็นเขากันอืมหันเขามาจับนกกักัด กระตอดฮัตโฉบมันกระไรตี่ของมันข้าบ่วงนี่มันจะไปไสมันบินหัตีกมันกระไรนั่นของมันถือบว่วงเนี่ยมันลอยเทีนโยงโยงหัตขามันก็ะไรนั่นเจ้าของบ่วงเจ้าของเหยวมีอำนาจตายอย่าเด็กที่ไปทางไหนบัวพนเดี่ยวนั่นบัวพดนี่ก็คือการถืถอบ่วงที่นี่ องสมเดชภาษมาสัมพธเจ้าท่านเป็นผู้รู้แจ้งเห็นจริงท่านเป็นพระมหากษัตริย์อื้มสวัสดิสสมบัติท่านเห็นแล้วท่านดดออกไปเห็นแน่แล้วว่าอะห่วงนี่ยังห่วงก่นี้ไปเห็นว่ามันเป็นไพ่ถูกก้อเกิดมาแล้ว ถูวงถูกแล้วคือบวงยัดข้อแล้วท่านเห็นโทษแล้วท่านจิงออกอืมท่านเรียก ว, ว่าสี่สี่โทษสี่ประโยชน์ว่ามันเป็นของโมเนนอนทุกสิ่งทุกอย่างถี่มันเปลี่ยนไปท่านว่ายอมจมอยู่ในหันว่าย่อมตายอยู่ในหันว่ยอมติดบวงอยู่ในหันท่านสลัดตัวออกได้ อืมเห็นแล้วรู้แล้วท่านจึงมาสั่งสอนพวกเข้าทั้งหลายที่เข้าไปให้เห็นกับโเห็นเข้านี่ยากที่ว่าอันไหนมีโทษวันไหนเป็นส่วนกับโบเห็นโทษนั้นมันหนาหลายมันมืดหลายแค่ยังวกวนอยู่จังทันนะ่ะนั่งจีเดียดตันหาน่ะพอก็มืมดหนาสนาโหดอืแฉะนั้นท่ำทั้งหลายแล้วนี่ละ เออถ้าหากว่าเราทั้งหลายมาททัศ ก, กันพี่เรณาเนี่ยสิเห็นโทษมันเห็นถูกมันเห็นโทษมันคือการสับฉาดถูกเข้าเกิดว่าแล้วถูกบอมันถูกฉาติถูกเกิดว่าแล้วมีสุญญ์มีแขนมีขามีหูมีตาอืมทุกสิงทุกอย่างที่มันมีมาเนี่ยคือคือถูกเกิดมา อ, อืหาเรียงฟากเลียงขอบเลียงดูกเรียงรยง้านจับยังจิตขนาดจับขนนาดจิตอันนี้ อืมนั่นเคร่องห่วงตัวเข้าเนี่ยหวงดุห่วงด้านเนี่ยหวงทับย์สมบัดิเนยทุกสิ่งทุกอย่างมีที่เป็นมั่นยากหลายอืมเป็นอยังมันจะยากบินบ่ได้มันถือบ่วงมันถือบ่วงใ น, พน่พลาดอือถือบ่วงใน่พานแล้ววใจใน่พานทิ่ตามป่าถนาพอเข้านี่ก็คือกันอืม มันถือบ่วงเขามันเขาดียังไงก็ได้มันเขาจะฮักปีกก็ได้ฮักขาก็ได้ฮักศพก็น่ะเปรียบกับขันธม่านหรือจิติสาม่านที่เทาเกิดมาเร็วมันสีวิวัตใช้ก็ได้สมือนหูสีวิบัตก็ได้หูที่วกก็ได้ตาสีบริสุทธก็ได้จ็บแข้งจีบขาจีบเหนือจีบนั้งก็ได้มันบีบมันนวด เนี่ยที่นี่พวกมนุษย์เท่าทั้งหลายโบูหจะตัว่วธรรมะพวฟึดหนีดีหนีว่าอยากให้เป็นยังไงอยากให้มันเป็นยังสิว่าอยากให้เป็นนัน น, นัอยากให้เป็น น, นี้อย่างสี่เป็นต้นเอ อ, อมันยังพระการเกิดทุกข์ขึ้นมาเพราะกิเลสตัณหาการมตัณหา ภาวะตันหาวิภาวะตันหาไอคอนที่พระพุทธเจ้าให้เขานั่นสิ่สิ่งร่างกายให้เข้าเบิ้งแยกแจกออกนั่นท่านให้หูจักให้เห็นให้เบื่อให้นายให้เห็นว่าสภาพะทั้งหลายเราเนี่ยบริเป็นสัตว์บริเป็นบุคคลบริเป็นตัวบริเป็นตนบริเป็นเล่าบริเป็นเขา เป็นของสมุดซ้ากันก็ห่อประเฮตไห้เยอะในหลุงอ่ะอืมขันเขามันแก้ว่าเน่ะนกแขกมันว่ากินดอกนกแขกมันว่ากินเดี๋ยวสิไปได้ทัวไห้มันเกิดดีเมื่อเป็นตัวไปหาอย้าฆ่าเมื่อหมัดเป็นหูข้นขึ้นเนี้ยเอาเสือใส่เขาเอากางเกงใส่เขาเอาบวกใส่เขาตั้งอยู่ต่อการไห้พุ่น ดนดโนแขกซ้อยเฮานกว่าดึงคางนั่นให้นกมันเตือนหนีถนนแนวอืมให้นกมันยานมันอกี้มากินขเข่าเจ็ดตัวตลกก็ไหวหันให้มันได้นจอยซ้ำเข่ามันแก้ันเข่ขาแกแ้ ว, แ ว, แ ว, แ ว, แวแเจียวอะไรแเซ้าหรแหละอืมหันหัวเตีงไปจริงว่าบริษักคุณนี่แล้วเป็นห้างอยากฆ่ า, าซื้อนี่แล้ว เขากับทีมยูหันเนี่ยถ้าเอาเข่านี้เนี่ยกระพุ้ม ม, มียันละเข้านี้คืกอการยิงอืมคือกันอืมคือกันกับพุนนั่นแหละกระพุนนะ่ะกระพ้มียังอยู่นี่เมื่อมีเล้ยงญาตไปปาดเนี่ยเป็นตนกระุ่้มมียังคือกันกระพางหย่าฆาอืมฆางหย่าฆาอยู่ในไหเนี่ยเจ้าดีเจ้าไปเจ้ามาแหลก็ลกทพิมยูหันไม่มียัง มันดีในมันตีงในเสมอห น, อนินี้่ครอบรููซึกหนึ่งจิดต่างๆคืออยากไปไปคืออยากอยู่อยู่คืออยากหลองล่ำทำเตี้ยเตี้ไปทำภาษีภาษ า, ษามันถ้าพมดมือตายบอก ง, ง่ายๆดึงหุ้นได้ตัแขกตั้มเข่ามันแกกันเอาเข่าไปใช้ยุ่งใช้สางเข้าระทีมตัวหุ้นนั่นอันนี้คือกันอยู่ไปนั่นไปอยู่ไปนั่นไปเมือวิ ญ, ญญาณไปปาดเดี่ยวกับบ่มียัง คือหางอย่าฆ่าแล้วเออน่นสร้างหอดมือวันทันญ่ามันก็ไปขันผู้บ่าวหุ่วจักตนกับผู้บวหุ่จัก ก, กายกำมะเกิดดีใจ่าเกิดแก่ใจมาหมุนมะเวียนทีนีน้วันอยากเจ็บวา้เจ็บวันอยากแก่วา้แก่วันอยากตายวายตายวันอยากหายวาใ ห, หยายวุ่นทีนี้เออนั่นเนี่ยแต้บ่าวมุจักกคตของธรรมชาติวัน อยากให้มันมันอยู่อยากให้มันเทียงอยู่อันนั้นก็เล่าอันนี้กับเขาอืมว่าในของโตของถัอยู่ทุกตทนทุกอย่างบื่อปีหน้าถึงธรรมะจกเถื่อนอืมฉะนั้นวัดฝนสี่ส่วนแดงมันก็ละไปหมดสุดคนมีละมีหยดมีเสนอเสริญทุกทุกอันใดกระชิมไว้ในโลกนี่มันเป็นสมบัติของโลกอืมอย่าวทุามืูลนี่ขึ้นกันนั่นเนี่ยอืมขึ้นอกก็ขังไว้นย่างนี่เี่ คือปาเขาขังไว้ในคลองนี่แล้วออืเขาอยากจับออกมขาก็จับตัวอืเขาอยากฆ่าม้นก็เป็นมันอยู่ในี่คลายเขามันอยู่ในหมอเขามันอยู่ในี่ขี่คุมขังของเขานั่นสังสาระถูกขังสังสาเรีถูกขังถูกไม่งสงสารถูกไม่วัฏฏะอันนี้ไม่ไมีทางออกนอกจากว่าพรกันมาเรียนธรรมะ เบี่ยนธรรมะให้รู้จักตามธรรมชาติความเป็นจริงของมันเออเห็นก่อนเดียวเห็นก่อนเข้ายู่นี่เบื้องธรรมะอย่าเบื้องไกลๆเบื้องไกลๆเดี๋ยวโบเห็นเน้อมันจืดเบื้องมหาเจ้าของนย่ถ้าสงสัยธรรมะเบิ้งเจ้าของนี่เบื้องกายนี่เบื้องใจนี่เบื้อไหนมันเนยบืไหนเบืไหนมันนอดเบืไหนเนื้อมันเหม็นเห่าบืไหนเน๋ยวมันบนเขาบืไหน เนี่ยมันหมันมันแกนวัไหนเนี่ยมันเทียงว่นไหนมันย่างยื่อวันไหนมีบอนมันเปลนวันยังสิเนี่คือคือธรรมะธรรมชาติมันเป็นแด้ปรากฏธรรมชาติมันก็เป็นอย่างไงมีผมมันกระหอกยังไงมีฟันมันกระรุดไปมีหูมันกระหนวกมีตาฟ้าฟ้ามีหนังกระแหงเหวียวเนี่ยเป็นยังมันจะเป็นอย่างังเพราะว่าของทั้งหลายเราเนี่ย เขาว่ามีอำนาจทีบไปบางคับบรรชามันมันเป็นไปตามสภาะของมันม่นไม้ฟังข้ามูลใดเพื่อนมั่ไม้ฟังค้ามูลใดมันเป็นไปตามเรื่องของมันพอธรรมชาติอันนี้มันเป็นอย่างไรแต่กฎธรรมชาติอันนี้มันกะเป็นข้มันยุ่งยากใอื้ๆก็แม่น้ำเลยอืมไม่น้ำเท่านั้มันไหลลงไปเนี่มันไหลงไปที่ใต้มันก็ไหลนคือแมนงมนเนี่ยมันไหลลงไป ข้าน like, ่าไปเห็นแต่อ hmm. ย่าให้มันได้ขึ mm ้นไปทั้เมืองโคราชคุณมันรอดีได้มันจะถูกกุฏิหันนะนามันกะได้ไปทังใต่คุเข้ากให้มันได้ขึ้นเนื้อคุณยังสิมันเป็มาชีเดีย่เจือเทือกนี้มันไพินาหมอกพิษหรือหอกพิษนี่หนามันถลายยี่เซนเนี่ยมันได้ไปทั้งใต่คุณได้้ายย่นเนี่ยข้านาไปเห็นแต่อย่าให้มันขึ้นทั้งเนื้อคุณเนี่ยก็มันจะถูกมันวุ่นวายตี่ ยหา่มันได้ถึงเนื้อมันก็มาได้เนาหนามุ่งเป็นยีสต์ถ้ามันฉาดมันเป็นยีสตแต่กระกดของมันท่านน้มันตามันกรไดไปยีสต์ข้าเจี๋ยวบังคับมันขึ้นไปจะมันกระบบายเนามื่อมันก็เป็นยีสตเช็ดจะไหนวันขันไปขึ้นยสตมันติสบายผมมันกระบูสบายมันตีสบายยังไงขึ้นเดียมันกระบเปล่ยนไปอะไรคือเป็นหบุมันเห็นไรนต้องสใจ เคล็ดเดวกับว่ได้เค็ดแเดวกับ่เป็นนี่มันต้องไดไปตามเดี่องของมันไอ้บูรถษพูดทีนี่พูดถึงว่ามีปัญญาต่อไปเห็นหนามมันไดลงไปทางใจอย่าให้มันไดไปทางเนื้อเท่านี้ล่ะเดี่องมันไม่ได้ถูกเแต่ยังมันยังทุกมันคืดผิดมันหลงผิดอืมันหลงผิดอืนะที่นี่ พระพุทธเจ้าเข้าน่ะเคลื่อนมาภาว น, นามาฟังธรรมมาพิจารณาให้เห็นให้เห็นตามเป็นจริงของน้ืมมันไดไปทางใจแต่ให้มันไ ด, ไป น, ไ, ดไปน้ํามันซะมันเป็นอย่งอางกันอโบกราสูหรือมันผู้แล้วว่าน้ำเนี่ย ม, มันตามทําไรมันก็ไดลไปตามเรื่องของน้ำมั น, ม, น ม, มาเกี่ยวกับเพ้าถ้าหากว่า มีบรุษผู้ที่มีปัญญาไม่ยืนอยู่เออมันไดไปทางใจแต่ให้มันไดไปในสมหยบอกคืออย่กให้มันไดไปทางเนื้อใจและสบายน้ำกระไลในตามเรื่องของมันคือธรรมะคือธรรมชาติอันนั้นมันเกิเป็นอีงไงมันนีมันเกิดมันแก่มันเจ็บมันตายมันก็เป็นอย่างไงเบื้องต้นก็เกิดขึ้นมาเบื้องกลางก็แปรไปคนติดสุดก็รับไม่มีอยังสลายตัวไปคือกันก้าวหน้า มันกระไรไปตามเรื่องเขามันยังไงทางในธรรมมันก็ต้องไหลไปถามีบุรุษคนหนึงมาพิ่หน้าอย่างนี่เดี๋ยสบายเห็นตามน้ำสักเมื่อคืนอย่าให้น้ำไหลไปทางเหนือเมื่อคืนสีฟ้าสีผืนเห็นตามมันจะเห็นตามเรื่องมันสังขารเท่านี้ต่คือกันสันใดคือกันกำหน้าเมื่อเกิดมาแล้วมันก็แก่ไปเท่าไปเท่าซะ แ, แะล้วยาซ่ละืขแยวฮักฟันตอบเป็นไปตามสภาพเขาไหม เข้าบริจาคแก่เข้าบริจาคเก็บเข้าบริจาคตายเป็นไปบุร่ายเป็นไปบุร่าให้พี่น่าสังขารสังขารมันเป็นอย่างไรสภาพสังขารเป็นอย่างไรบัญญาติไรูเท่าตามไปจริงของสังขารเป็นว่าสังขารมันเป็นอย่างไรก็ให้มันเป็นอย่างนั้นตามเรืองของมันตามราวของมันคือการจนา มันได้ไปที่ใตแต่ให้ม <S jadi> ันได่ทีที่ของมันไตมันเนมันเป็นเนื้อสันน้ำเขาเสียให้มันได้ขึ้นเนื้อมันกระทุกตัวตัวของมันบ่เป็นแนวของมันบ่เป็นเดือกของมันเพราะเราเกิดกิดถ้าเราเกิดถือเด้อเออมันอยากไล่ไปที่กระมันไล่แต่เวน้ำทั้งในต่ำมันกระไ้ไปทั้งนั้นดับคืดเท่านี้แเดียวสบายชั้นใดเอนามทั้งหลายคืดทั้งฐานที่เทามีอยู่เดี๋ยวนี่ตัวเท้านี่ต้นเท้านี่ร่างกายของเราเนี่ยที่สมบุญว่าเรานี่ยดินนี่ หน้ามีไฟมีรอมีที่มันเป็นอยู่นี่น่ะมันได้ไปเสมอมันได้ไปเล็กๆปีไหนเกินมาน่ะยุนี่ทองแมียคนตัวมันได้เอาว่าหนึ่งออกว่าสีตัวมันก็ได้ไปได้ไปสูอน่ะจนเถาไปจนแกไปจนหอดมือนี่นี่น่ะมันได้ไปมันได้ไปตามเรื่องของมันเราเห็นจยางทีเดียวทีเดียวเห็นว่าเอออันนี้มันบมเมนตัสมีนดีว่ะ โมเมนบุคคลยี่นี้โมเมนตัวบมเมนต์ตนโมเมนต์เล่าโมเมนเขาสภาพมันเป็นยังสให้ยศีห้ยนะมันมันจะเป็นเยอะเพิามหน่อยห้ยศีหัวนะมันจะเป็นเยองสให้ยศีหามันจะเป็นยองสให้ยีว่าหามันก็เป็นเยอะสิมันมโหสถุอะไรยังวะนี่คือธรรมชาติธรรมะนี่เนียเขาจะขอไปแก้ธรรมชาติดันบานนี่บอยากให้เป็นยังสั่นอยากให้มันเป็นยังสินี่โมอยากให้เป็นยังสั่นให้มันเป็นยังส่ อย่างนีะมาแก่มันมาแก่ให้น้ำไหลขึ้นไปทั้งนหลืองอีกมันก็ไหลไปทังที่ใต้อีกคนนี้มันเสียบจากไหนจะเตือนน้ำมันก็ไหลไปที่ตันเียนี่อันนี้คือการสังขารหลังกายเท่านี่คือกันพระพุทธเจ้าให้พิจารณารูเท่าตามความเป็นจริงของมันจ้ะอันนี้จังมันเป็นของบมเทียงทุกครั้งเป็นตนขันโมรูเท่ามันมันก็ถูกเพราะธรรมชาติทั้งหลายเราหนี้โมเมนตัสมันเป็นบุคคลบมเมนตัวโมเนต์ตนโมเมนเล่าโมเมเขา สักแต่พ่เรียงว่ามีดินหนึ่งมีน้ำหนึ่งมีไฟหนึ่งมีลมเท่านี้นี่ไแ้ก็แต่กระจายไปพ้นสิถุตมันอันนี้กฎของธรรมชาติเป็นยีเยี่ยตีเจือสิไห้ต้องข่อยเขาจะเป็นยีเยี่ยตีเจือสิหัวต้องข่อยเขาจะเป็นีเยี่ตีเจือสิหักไ่อยเขาจะเป็นยีเยี่ยตีเจือสิสร้างข่อยข่อยก็าเป็นยีเยี่ยตีน่ะเข้าหลวง่มีอำนาจยั่งจะไปหามไปปามจริงหรือแล้วนี่พรษศาสดาสันงึงแสดงถึงปัญญา ปัญญารู้เท่าตามเป็นจริงของสังขารนี่สังขารมันเป็นอย่างไรไก่พี่นาฏไปตามเพื่องตามรูของมันจะมันก็เลยสบายคือกันกำนัมมันไดไปทางใจค่ะพิจารนามันจะมันไหลไปทางสันสายมันไดไปตัน้ามันตจำทั้ไหนมันก็ไหลไปทั้งนั้นแล้วขึ้นเท่านี้ก็เลยสบายขึ้นไปน้าเดืองมันนี่นี่ล่ะขึ้นตัวธรรมะ แต่กกระโดของธรรมชาติคือธรรมะอันนี้มันเป็นยังไงสมันบ่าได้ฟังกวา้างเทไรที่นี่หากว่าเราทั้งหลายอยากว่าปเผื่อธรรมะอยากว่าปฏิบัติธรรมะแต่คือว่าเบิงธรรมชาติอันนี้แหละเห็นหมดชือตัวให ม, ม่ตัวหน่อยก็มีตัวใหญ่ก็มีตัวสั้นก็มีตัวยาวก็มี ม, มันเป็นนี้ยังสั่นถึงมาดูแรงว่าสบายมันโดนลงไป ฝนตกมาใสใบมันกระพงเกินมากมันเป็นยุยงสัตว์ถึงข้าวโรนมันกระโรนไปถึงข้าวโพงมันกระโพงไปถึงข้าวสลายตัวไปมันก็สลายตัวไปกระคือการกระเเ้าเข้าก็คือกันกับมันเปลี่ยนก็คือการพปลี่ยเป็นสังขารขื้นกันเท้านี้ขึ้กันเนี่ยเกิดเมอใดเป็นตนอายุมากเนี่ยเท่าเลียวกันล่วงไปผู้ใดก็เกิดมากมคือกันกั็ตนใหม่บวกท่เปลี่ยกันคือนกันก็ใบใหม่ นี่นแล้ว่ก็เรียกไปอีกว่าหนึ่งว่าต้นไม้ในป่าต้นมังงามก็มนี้ต้นมงงามก็มีสต้นโคตก็มี้ต้นชื่อกวมนี้ต้นมีแก่นกว่านีมีแกนคือตั้กระท้อนกระทาผู้หายก็่นีผู้ดีก็มีผู้คตก็มีผู้ซื่อก็มีมันเป็นยังังสิหนีคือธรรมชาติเท่านั้นนีคือธรรมะรั้วตั้งแตเป็นธรรมะมัดทุกสิ่งทุกอย่างแต่ว่าต้นไม้เพื่อเสาเสาอัน น่ะเอออียังเป็นหินเป็นพรจใจมันคือหินคือน้ำได้อาหารมาเลี้ยงร่างตนมันให้สดใสงดน้ำในมนุษย์เท่าทั้งหลายคือกรรมกรรมคือการกระท่ำของเท่าทั้งหลายนี่เป็นตนให้สดให้ใสให้มีปัญญาหน่อยมีปัญญาลายตามสภาพะของมันเออตอนใหม่มีนรูการ แลรู้รอดแลรู้หนาวแล้วรู้ฝนมันเกิดว่าการะดูเพรามันมนุษย์เราทั้งหลายมีเกิดว่าจากกรรมคือการกระทำ่ำทำดีมันแตดีทําชัวมันแต่ชัวทําง่ามมันแต่ง่ามทําบงงามงา ม, มันแต่บงงามมันเป็นเพราะการกระทําอันนี้ขอเช็คจริงของจักว์ทั้งหลายท่านอย่าพูดว่ากระกอย่างราว่าโมานีคือการเป็นยังแสวงหากรรม นะอยากสงบเนะียอยากระงับอยากสบายอยากนิสุขเนี่ยนี่แสดงห้า ก, กรรมคือการกระทําอยากใน ม, มัชฌิมาทาศน์สินมือนี่รักษาศินมือนี่ภาวนามือนี่สั้งถ้ำมือนี่นี่แหละมันเป็นต้นเหตุอันหนึ่งเรื่องก่อกรร ม, มนะเรื่องก่อกรรมกรรมดี กรรมตัวที่อืฟังธรรมะให้เราเข้าใจคันเข่าใจน้อยมันก็ได้ผล น, น้อยคันเข่าใจหลายมันก็ได้ผลหลายอื่น่นความเห็นถูกมันน้อยความถูกมันก็ยังมีหลายแต่ความเห็นถูกมั น, นามากถูกมันก็หายไปความสงบระงับเกิดขึ้นมา ยังละมาทุมือนีมามือหนีเป็นต้นนี่มือนีเป็นต้นคือสแสดงหาอาหารสั่งใจเพราะว่าพุทธศาสนาน่ะท่านพูดถึงเรื่องจิตใจแด้ให้พิจารณาถึงสกุลร่างกายให้มันเป็นธรรมชาติของธรรมะให้ใจเข้าไปเห็นกายถึงมันมีอยู่นี่ก็คือใจอส่างมันมาก ม, มันไม่ดึงไกลอีกยัง มีมื่อถ้าหาใจมัชระหายใจมันเห็นทางนอกใจมันเห็นทางในร่วมเรียวกว่ามาปฏิบัติธรรมะร่วมเจตัวธรรมะมันมีมดเดวเน้าในสกนลุลร่างกายของนี่ยฮะมันมีนมดสุบรรมันมีอยู่เดามันนี้เดี๋ยวก็เห็นได้ชัดอีกบริอื่นไก่อย่างเมื่อเรามีหน้าเห็นได้จัดที่ให้เกิดความสะดุดเกิดความตังมีเกิดความเบื่อหน อืมเกิดย่าเกิดกลัวเกิดวิตกเกิดวิจารเกิดหวาดเกิดทะลุท่านจึงให้พิ่หน้าควบเกิดพี่หน้าความแก่พี่หน้าความเจ็บแตพี่หน้าควมตายอืมใครเห็นตามธรรมชาติมั่นคือกฎของธรรมชาติมั่นอันนี้ทันีติว่ากฎของธรรมะหรือกฎของธรรมชาติมันถ้าหากว่าเราไม่หูถ้าหากว่าเรามาเห็นตามธรรมชาติอันนี้ตามกฎของธรรมชาติอันนี้ กระือวาพเข้าสังนายมากประพฤติธรรมมากปฏิบัติธรรมเดีวก็บรรเดียกกันคนเข้าขึ้กันกระบได้ปกีืยนะอยู่บ้านไหนเมืองไหนเือกันว่าเปลีกันพพิฆเนาถึงเรื่องว่าเปลี่นี่มีเกิดขึ้นกันเบื้องต้นทำกลางก็แปรไปคนที่สุดก็สลายตัวไวขึ้นกันคื้นกันวัดสุดคนฉะนั้นพระพุทธเจ้าเข้าท่านจะเหนว่าพิฆเนาถึงิีลธรรมใครเห็น เขาก็เหมือนเราเล่าเหมือนเขาให้พี่หน้าเขาเป็นคันพี่หน้ากับมันจะให้หายไปกันมันคือกันมันเหมือนกันอยากเกิดคลื่นกันอยากแช่คลื่นกันอยากเจ็บคลื่นกันอยากตายคลื่นกันมันบริษัทอันเดียวกันนั่นเอถ้าเรารู้อะไรทีก็เกิดความกระดุกเกิดความตระดุกเกิดความทางเวศเอ้าถ้ามันพี่หน้าหลางกายเราอยู่นี่เป็นนิสัยพูดคือกันกขาเข้าเข้าคือกันกขาพูด ดูฟุ้งก็คือดูกเฮาด้านฟุ้งก็คือด้านเฮาพ่อแม่ฟุ้งก็คือพ่อแม่เฮาตัวเฮาก็คือฟุ้นตัวฟุ้นก็คือเฮานี่นี่เลยความเห็นเดยวนึงถ้าคิตใจเห็นเห็นอย่างทีใดโอ้ยอย่างทีใดมันก็เศร้าเบียนเบียนกันเท่านั้นเองเศร้าอิจฉากันเท่านั้นเองเศร้าพยาบาทกันเท่านั้นเองอืมถามมันเห็นอย่างทีมันก็เห็นชอบคันเห็นชอบมันก็เป็นมากสามาถที่ความเห็นชอบ น่ะนี่มาเห็นสอบเห็นสอบแล้วดาดิกระสอบดำดิสอบการง่านก็ะสอบเจริจาก็ะสอบทาความเขียนกระสอ บ, ม, สอ บ, อ ม, สอบมันตัวอบไปวตัวแนวใครบ้นสอบเลยมันโตคนทางมันอ่านี่เข้าหนี้คือกันนั่นแหละนี่มิเตะกอบธรรมะวันั่นแหะมุ่งไปอืมพยูบาลในมันกหอบมาหอบมาอยงไเนี่ยมันแมนวนะันั่นแะอืมกะดั้นพระพุทธเจ้าท่านสอนสอนให้เหาเบิง้งเจ้าของเบิ้งมันมันมี เพื่นบริสิไปดินฝ่าอากาศกู้เขาเรากาบริสิไปฝึกแผ่นดินบริสีไปบนอากาศเรื่องธรรมะมันอยู่ยกับเฮ้าเออนั่นถ้าหากว่าเฮ้าเห็นเฮ้าเห็นก่อนนี่เปลนตามธรรมชาติหรือเป็นตามธรรมดาอัน น, น อ, อ้นความหยึดมันความหมายมันของเฮ้าอันนี้มันก็นหน่อยลงไปมันหอยล่วงไปมันหน่อยลงไปความมันความมันหน่อยลงไป มันถอยลงไปมันก็เห็นมันจะหน่อยลงได้ขันว่าเห็นมันกิด บ, บ่หน่อยขันว่าเห็นมันกิด บ, บ่อยถอเนี่ยทีนักปฏิบัติธรรมะยิงหูจักว่าธรรมะว่าอะไรผลพ่อแครใดอืในผลแครใดการประพฤติหรือการปฏิบัตินีบวมเอนว่าปฏิบัติบวหูจักเลยอบวมหน่อปฏิบัติบวหูจักบวหูเรื่องปฏิบัติตของหูจักตของหูเรื่องของเจ้าของ ว่ามันถูกหรือหรือว่ามันผิดนะมันเกิดผลบัวหรือโบอกเกิดผลมันต้องหูจับถ้าไปว่าฮันหูจันั่นว่าฮัทนะไรอย่งอืมขันขา่ายว่าเหตุไปเหุไปเั่นเดียวนี้มันสิมแย่ตกวเป็นว่ายเหตุมันดีตัวเป็นว่ายเหตุมันโมดีคนเสียฝ่าเหตุบอกอยังไง น, ะนีเรียกว่าเหตุม้มงูเหตดน้ำเพลินวาเหตดน้ำเพลินเวาอันอของขาอ้าวบมี พระพุทธเจ้าก็ต้องการคนมีปัญญาผู้ทธบริศนี่ให้มีปัญญาให้เห็นให้มันหูจักในปัจจุบันนี้เดียวนี้ละ่ะโมเตนส์ตายไปมันถึงจะไปหูไปเห็นโมหูโมเห็นเดียวนี่ต่อไปมันก็โมเห็นจะต้องเห็นในปัจจุบันนี้อย่าห่กกว่าเล่าพิจารณาสกคนหลังกายของเรานะจนเราเบือ่อจนเรานายจนเราเกิดกระดกจนเราเกิดทั้งเล่ในตัวของเขาเป็นตัวว่า อย่างสีกาว่าเน้่ยมันคือนกอยู่ในย่างเขานี่มันคือปลาอยู่ในหมอเขานี่เขาจะจับขาหมูไหนก็ได้อืเขาสิจับไปใช้เนไ้อหมูอหนก็ได้เขานี่คือการสันไดเป็นต้นมันสิ่วิวัตรไปหมูไหนก็ได้ตาวิวัตรหมูไหนก็ได้หูวิวัตรก็ได้หายวิวัตรก็ได้แขนวิวัตรก็ได้ล่างกายวิวัตรววัตก็ได้เพอาะลักษณะมันเป็นอยู่ด้วยกันหามบ่ได ว่าบว่างเป็นอย so so so so so so so so ัางที hmm. ่หามบ่อยวาบว่างเพราะว่ามันมันเป็นตัวจริงของมันพมันเป็นตัวของเราอย่างเนียนบวลมันเป็นของเราอย่างเนียนนวลมันเป็นแขนเราเนนอนนวลมันเป็นขาเราเนนอนนวลมันเป็นหูม่นเป็นตาเราแนียนนเป็นของสมุดนั่นมีสมุดนี่างทเป็นของสมุดชื่อสมุดว่าข้อเท้าชื่อฉะนั้นมันจึงบอกวาบว่างข้อเทามันจึงบอกว่าฟังมันจึงว่าบว่าง มันจึงเป็นไปตามเรื่อนของมันเป็นไปตามธรรมชาติของมันพันยังไงวะธรรมะมันส่งมันไหวยัง่อืมผมนิ่ามันดำมันก็ส่งมันไหวส่งต่อไปเป็นแตเมื่อกอกงอกมันก็ส่งขมันไหวมันส่งไปตามเรื่องของมันข้าวจีหามอย่างมันกับด้วนะหวามันกว่ฟ้าเนี่ยอืมมันอยากเป็นมื่อไรก็ไรอยากทำเมื่อไรก็แป้นอืมถ้าหากว่าเราทั้งหลายประกันมาพิจิตรายอยู่นี่อยู่ในก้อนนี่ ยี่ได้กองนีก่ก้อนรูปนี่ก้อนเวทนานี่ก้อนสัญญาณก้อนสังขารนี่ก้อนวิญญาณเรียกว่าขัานหากล่ว่าเรียกว่ารูปท่ำกลว่าเรียกว่าหน้าม่ำกล่ว่าเรียกว่ากายกับใจกล่าวว่ามันอันเดียวกันน่นมันเดืองเท่านี้เดืองกายกับใจเท่านี้บม่เป็นเดืองอื่นมากไหวอีกอย่างเรื่องธรรมะเออ าหากว่าเหาไปนอกนอกนี่โบเห็นหนอโบถือหัวมวันเอีฉะนั้นจริงที่มันมีอยู่เป็นอยู่เหาก็เห็นอยู่เกิดมาเหาเห็นนนะที่มันเป็นอนี้จางถูกพังเลยเหาก็เห็นพื้นจะเป็นยังไงเ้าก็เป็นยังไีค่อันนี้เป็นบเบื้องแรกก็การพิจารณาธรรมอืมทั้งหนีมันชุดท่านหน่ดีท่านหนีมันชุดเกิทนนดท่านหน่ะก็ชุดตายเห็นตัวนีให้ว่นแยส นั่นเห็นมันเบิ้งกันสีเแล้วเขาสีหูจักบานเออเขาสีหูจกักหูจกักเลยนี่จำตัวเขาไปหน้าเออตะเวนมันเจ้าหัวมันวายห่เฮาหูจักนี่เห็นมันเบิงมันเออ ม, มันจิทำเนี่กระบอกรวนมันต้องขับมาตัวนีนั่นเอาเห็ุเบียกเส็จงานหูจักการหูจกักวีรถ้าเราตะเวนตะเคลืนอยู่เฮาหูจักหอกมนหูจกักตั้พ่อพ่ อ, อ, อาวานีา่หบด พอไปหน้าเนบ่ยอกลอับจากหน้ า, าเนี่ยบอกถาระบนอยู่มันก็ต้องเห็นมันก็ต้องดูจักการจักเวลาเข้าดีขึ้นกันถาระบนสายเขาอยู่เสมอเนี่ยบนคิดเขาอยู่เสมอเนี่ยมันจะหูยักษ์ขกันหูจักษ์ข้ตัวต่ก้อนเป็นยังไงบาร์ดีมันเป็นยังไงมันคือเล็กหน่อยาถาระบนคึ้นยังไงเนี่ยไม่ยินะไดอ่านผีเนะี่ว่ารดีหข้าใจาาแต่เมื่อตะกอนถาระบนหน้าเนีเสียทาไมใจฟังเราผี ข้อนเงาใจ้มาพิคมาเห็นธรรมะนี่มันต้องมีอยู่ถ้ามันเกิดพรเหตเรามางปฏิบัตินี่แต่ถึมวาสร้างเหตุมันเอาสมุนว่าขอนเงานี้บ้านบ้านเลกอาจาเมื่อเลขอาจามี่ผัวมี่เมียอยู่ร่วมกันว่าฮักกันแย้งกันนี่มี่ผู้นึงว่าตายมาบอกไว้สักผัวจะตายก็ตายซะเมายจะตายก็เอะมีดูเขาฆ่าคนหนึงแต่มีผู้เดียวเท่านาสสั้ละละนมาสายซ้าห่วย จะไปหาวาัตดูเนากแกไปหาวาัดดูเนคือกันต้องคนไข่คนเจ็บ น, นี่แหละไข่ ม, ม, มันเป็นเึตวมาเราคือผ่อนหมอดูเนาะไข่มันไ่เป็นเี๋ยวพวคือเรื่องมันเป็นเึตุมารเรียกว่าทนี่เข้าก็คือกันฉันใดมนุษย์ทั้งหลายควอบครัวชุดมนุษย์ทั้งหลายมันเป็นเหตุการ ชาแต่อยู่ดีกินดีซึ่งวันน้หนึ่งในจิอย่างงบนว่นทีกว่าการมาคืนถ้ำหรือปฏิบัติถ้มนี่คือกันจึ ง, งรรททให้พี่น้าถึงพวงกระดรสสังเดชเราขึ้บ่ได้ไปฟังจิตให้ปัญวาให้ฟังเปรียบไปฟังปัญวาให้ฟังให้มันเห็นชัดจะไม่เห็นเขามาเห็นเห็นเขามาเท่านี้แหละเว้นหาผูอื่นเห็นเขามาผลาาาามันเป็นยังไงขนมันเป็นยังไงเด็บมันเป็นยังไงฟันเป็นยังไง นังเป็นจังไงบ้างเออสวดพกมันคือเกาวอไหลไปไวอเกิดขาดไปไวอนี่พระพุทธเจาา้าชนะที่น่ากายญาติของให้เห็นในกายเจ้าของอืมถ้าเห็นในนี้นี่มันคือกันเทาเป็นแสญิดเนื้อติตัวเท้านียน่ะหรอเท้าไข่หรือเ้าเจียบเท้ไข่เท้าเป็นโดกเจี๊ยบจบจอดเปลี่เียเสน มันอยากคึดหายยาโดนดอกถันมันเป็นยังไงอยากคึดหาหมอดนดอกขันมันเป็นยังไงขันมันเจ็บป่ดเศ้ามันป่วยป่ดเศ้ามันไปหายยาแต่แต่ละจะของบรจาค ก, ก็ไปหาหมอให้คนบอกโดนดอกมัมนมันอยู่ดอกมันเป็นสีการภาวนาเฮาหนี่อบอกสื่อสารฉันได้เป็นอย่างพระใหญ่ที่หน้าเจสาร่มาน า, าสาสันตาส า, าโจสิของที่นอยู่นี่มันเหตุมันอยู่นี่นเหตุมันอยู่นี่ เหติสิรสดิวิหนีมันรู้มันอยู่นี่นี่มันหลงมันอยู่นี่นี่รูกก็หลงมันอยู่นี่ขันนี้รู้แหรอมันกับเจ้าหลงขันนี้หลงมันกับเจ้ารู้ขันบ่เห็นแหรอมันกับเจ้าเห็นขันเห็นแล้วมันกับเจ้าบ่เห็นส่วนตัวอ๋อที่ว่าจากไหนเดี๋ยวมุนอันนี้คือกันเป็นยังต์พระพุทธเจ้าอย่างที่นีหน้าถึงเพิ่มเกิดเพิ่มแก้ความเจ็บเพิ่มตายบ่เศร้าอย่างเกิดไม่เป็นยังต์เนาะเหติมันอยู่บนที่ว่าจากไหน ที่ดิษฐ์อันนี้ค้นแพร่หลายตัมาพูดถึงความตาย ม, มันดูมั่นฉลดสังเวชนั่นถัดจากพีนากอนดขึ้นไปที่หนา้าไปพีน่าเขับไปพี่น่าขับไปมันเกิดฉลรสังเวชพี่นา่าในธรรมะมันจะเห็นธรรมะเห็นโคของธรรมะเออน่ะถามมาเห็นธรรมะอะไรปัญหาความสงบมันสนตัวมันจะไปถนัดมีและเหตุเพราะในพีน่ากายานุปัฏฐานามันจึงไ่เห็น เอาตะกี้ตามตายเด็กพี่หน้าในื้ตายเขาอยู่เรื่อยๆอยื้อีสระไปถอยซับเถิ่อีส่ะไปมากางๆให้เีหน้าจังแจศีษะลุไปหาปลายเท่าจั่งแจปลายเท่ามหาศีสะให้มันเกิดความ ส, สุขใมันเกิดควมามสุขให้ใจเฮามันพลิกน่อือยางเฮามีคอบมีขัว ม, มีสิง่งมีคล้องยังทีนเนี่ย ขันมันบรเสีขันมันสมบูรณ์อยู่ใจมันกับบริสีมันก็สบายสบายอย่างนั้นเนี่ยคือการกระทามีเหื่อเนี่ยทีไปงีตั้งไปอย่างนันเนี่ยไอ้ที่คือถึงการไหวน้ำรอยน้ํารอเว้ยันเหื่อหลบมงแน่ลรวเ่้งร้อยไหวประยังหรออืมรูสิเจอเจออยู่บ่กเอื่องมันเป็นยนงสี้ยนเนี่ย รลางคนกับใจว่าเป็นยังนี้ยังไงพี่หน้าต่างเสียใต่งเซีตาหังเจี๊ยบหมูกดินใส่ผูาวเด็กสดเนี่ยเรื่องเขามาเป็นอะไรนะคือการกระทาทีเเหอนแต่มันบดบรมสิ่งหนึ่งร้อยไปถิดถึงวันอีกท่านบดบมเนวใน่้ามันถิมร้อกมือิมร้อยจะไอกแม่เอืออยู่หันบอกอันนี้คือกันถาเราพี่หน้าเห็นสิงเห็นจังงงไปแล้วมันเป็นเองของมันตัวหันถ้าว่ามันตงเห็นอันนี้จังถูกขังอาตาในสกุนร่างกายของมันเนี่ย นี่กะเรียว่าคนเอกพิจิณารรได้ปฏิวัติธรรมหลุจากกฎของธรรมชาติและกระดูกธรรมชาติอ น, นันต์นั่นก็นั่นลูกเกาะเดียวแล้วสิบเห็นไปนหลายอย่างลูกแขนงหนึ่งเนี่ยมันจะไปเดือดเดือดเือดของมันไปทุกติ่มทุกย่างจะได้เห็นอนิจจังเห็นทุกขังเห็นอนัตตาในสภาวะสกุลหลังกายของเราและหลางกายเขาทั้งผู้เอือนี่ย่ะทั้งเล่า ทางภายในเนี่ยภายนอกนั่นอืมแต่คืไปหอบระคุณงา้วาวมีบนไหนมันไรดอกเข้าต้นมันยืนพันจะใพี่จะได้หน้าพระคุณเจ้าเข้าทั้งลายเนะ น, น, นี่ยเป็นสอนนี้อืมนี่ขอรับมาสายกายดีเป็นยูของมียูนของเป็นยูนคนบุี่ศิไปดินฝาอากาศบนไดนเพิ่นบ่บ่ไปตะบนข้นบ่ห็น้ะบนขนบไ่ไฟเพิ่นบ่ดีบ่ เป็นเบาเดือดเข้ามีอยู่เดืองเขาเป็นอยู่ยุ่งนั่งเข่านั่งกับนั่งน้ำกันเดินกับเดินน้ำกันนอนกับนอนนั่งเรื่องมันไม่ยุ่นน่ะแล้วมีอยู่ปัญญามันกับโเห็นคนผมมันโมหิทำไมจังเลยคือการกำลังกระดูกข้างในหลัวเข้านี่เนี้ยเห็นว่เห็นว่าเห็นอย่งที่มันโมห็นในคนเนามันโมดินนั่งคขเห็นแต่ปัญญาอย่างที่นะเนี่ยนี้มวยาบื้อง นี่ทือขนบมเห็นขันข้นเห็นน่บานนี่มุงจังยานย่างสีนี้ไปใสอยู่ในเฮ้านี่ก็มีนี่เอาบางทีแดนนี้มันก็แดนตกชวยตกชวยไปน้าหนี้กระดูกอยู่นี่น่ขันนอนกัน้อนดี่วขันพงพงต้องกานอยู่หวขัน่ขันยานลางนี่กระล่านของเฮ้านี้พวกก็ะมีอีกหลามบุญี้กรดีไปสก็อยู่ตรงกันนี่ีคือค้นบมเห็นขันข้นเห็นน่ยมึมีโแดนหอก เดินไปใชไมนะนี่คือคนญาติญาตล่างกระลูกนี่นะญาติเดนี้บริเวเองจริงๆนี่คือคนบรเห็นขันคนเห็นเดี๋ยวมัมีไปทิ่ไปไอืมอยู่นในหลัตายเฮานีก็คือกันครับบนน่ะสีแดงนไปใ่ไหมที่ดนไปนอนอยู่ทีว่าใช่ไหมนอนก็นอนที่สั้นนั่งก็นั่งที่ต้องการนี่ที่านไิไม่ไอีดมันเดือดเวอร์บบไฟนี่นี่คือคนเห็น เห็นทางหนอกเห็นทางใน อ, อจจตาธรรมะไฟธาธรรมะอืมนั่นอจจตาธรรมะไฟในไฟธาไฟนอกทางไฟนอกแต่ทางไฟใ น, ฟห น, ฟหนเห็นเกิดความสุขจังเวีนแน่อันนี้ผู้เห็นเด็อก็เรีผม อ, อืออันนี้อางสุพัรณนาตาเนาะอืมนั่ น, น, นเมื่อเขามีร่างการะดูกจิจปอนต์บอกเฮคือเท่านี้แล้วจะกี่ีดดเพราการนั่งเฉียวมากสุยาสนั่นที่ที่แล้ว อยางไปยางว่าคื่สีแล้วบอกกันคุยกันยาคือเท่านี้แล้วไม่ีกรณี้พื่อไแปกกันหรอกอย่างนี้เขาเป็นสุรกิที่หรอกตอไปถเท่าก็จะเป็นธัรกิจคือเท่านี้แล้วมันคือหังตัวเดียวมัคือวันวานั่นมันคือวันนี้หลี่ยมันพิมเดียวกันยางว่าแต่ก่อเขาคือเท่านี้ที่ว่าจะไหนตอไปเท่าก็จะเปเขาที่สัตว์ใยญกว่าในบันทื่ันว์บ่ แม่นวอคือวอน่ะเบื้องรู้นี่วั น, นไหนนี่ล่างนั่นสำล่างนี่เห็นเบื้องกันนี่ก็พ่ออันนั่นเบื้องกันนั่นสะพออันนี้เบื้องผู้เดียวถัาเราเห็นคนวนจะตะวันมันคือการเดียสิว่าจะไงเห็นเทาผู้เดีย ว, วเลย เ, เ, เห็นมันชัดเจนเลยจะเห็นคนบนทางโดกึือกันคือเทาเงื่อนบนส่วนสำคังแปลไปสิรุษส้าย ไม่ได้หนีกันไม่ได้แปล ก, กันไม่แมันขือการไหลนี่คือแมียนบัดเห็นเห็นเนี่ยนะเจ้า่องเข า, ขาคือเา้าต่อไปเข า, าคือเขาไม่ต้องฟันก้าไปอยู่สี่ตัวน่ะถ้าเป็นไปสี่แต่บัดมันเจียใจอะไรเขา น, นี่ใจมันก็เปลี่ยนตัวในตัวบาดที่ใจหน้าเดีดยอืีปีหน้าเดีนี้ อืกำหนดที่จะน่นเลยดิเมันอมีเงินก็เข้าจะยางตัวนี่นั่นแต่ว่าแมนอันนี้มันไม่มีเงินจะยางอื่จริงที่มันแมนนี่นี่จะความดีเขาควบตัวควงเข้ากังเกิดว่ามันความชัวมันฝ่ายตัวควมดีมันฝ่ายดีความเกิดผิดมันฝ่ายผิดเสมือควบเกิดถือวันฝ่ายถือคือเดียวนี้แหละนั่นมันแมนแต่จะควบดีความตัวของเข้านี่แม่นแต่จะบาปแต่บุญเท่านี้ อันนี้มันตามสนองเข้าไปไหนถึงร่างกระดูกนี่มันจะตามไปเมื่อไรไม่จู้จี้สิใครหน้าซาโซ่เสียวนงินท่องมันจะแห้งอยู่นอกกายเอาไปอีกมันก็ไร่แมีนบุญแต่งแต่กระดูกที่โตขึ้นมันจะแห้งโบแมนอย่นยือไดะมันแมนแต่ก็จริงที่มันมีภพมีชาเดี้ยมันดีมันตัวนี่ท่าบาปในบาปท่าบุญในบุญท่าดีในดีท่าตัวไในตัวแม่นนจะดีก็ตัวนี่ได้เท่านี้ได้ห้าวนี่ น่ะฉะนั้นพระพุทธเจ้สเาสานติขันธพิจารณามันมีแนวใดมาละกรอบตัวฟื้นครอบมีเฮา น, นี้เมื่อรามีชีวิตอยู่มันตายไปแล้วมันจะของแล้วลีด้หมดนั้นมันก็เป็นเรื่องเป็นเล่าอย่างเดียวบุมืมันมีอย่างพอพุทธเจ้าพุทธฤทธิ์สานติเพชรพสมือนี้ กานังตามีอยู่นี่ <c oughs> กานังูมีอยู่นี่กนานั่งิ้่านวมัไปปราดนี่ให้มันหูเรื่องอยู่นี่อืมนะทีนซะที่อันนั้นทิทมอืมพิมมันมันเป็นเนี่ยมันจริงจริเบาหายเข้ทีมบันไดก็พยายามละเยพยายามเบิ้งเนพยายามพีจนาอืมอ่อันเรื่องที่มันตายไปปร า, า, า, า, าดเจากิาไปปราดเนี่ยมันเลืเ้อยสซากอันนี้มันว่ า, ป า, าเปนย เหม็นจีหอบเห็นว่าเผาเหม็นจีหอบเห็นว่าสูงเหม็นสีเอาไปฟังนีกกะเพราะว่าหน้าเนี้ดูกันนี่อืมจว่าจะไงนะเดี๋ยวไปใช้ถาดดีเสยมันจะบุญรือคนหีก็เพแม่นเดี๋ยวไปเทศต้งามเสียมันด้ว่าคนหนีก็เพแม้นมันเฉพาะนเก่าว่าอะไเนี่ยบุญแต่ของมานตายอย่างนี้กันมันีอย่งนั่นมันก็เห็นมันก็เกียดกหาคนตาย ไปยังยโอ้ไปแจกเขาฮัฟคนนั้นผ like like ู้นี้ดอกหนเนมมีนด็กยวแหละผู ening. ้นี้พิธีต่อกระตว้งกินกันสนันอยู่เนี่ยผู้เจ้าคนนั้นจะยืดตั้งไหนดอกว้าวไปแจกกันกินอย่านี้เลยยังคือต่อได้นะวันนั้นมีไหฮัตพระพุทธเจ้ากวกันเสด็จต้องกวตายเลยกันเสด็จว่นนี้ชีวิตย่นอันนี้ควบคุมธรรมะเท่านี้ มีความดีก็คือปฏิวัติเท่านี้อันนี้เนี่ยมันเป็นมันเป็นเปื่อนของเขามีมันเป็นที่พื่นของเขาในปัจจุบันในอนาคตมีพบมีขาดอยู่อันนี้เป็นที่พื่นที่อาศัยทิ้งของท่งเี่ยวต่างๆมาเกอยู่เข้ามาในสถานแหงมุนี่ไม่ว่าจะไหนอี่ใ้ดูร้านเข้าปีกันดอกกู้ในหน่อยมึงในร้ายว่ากันหัวยากว่ัวสั้นชิบหายวบอดบั๊กตกคนั้นยั่งยังงอ พอ่อชงขั้วเก่าส่อัวคเทาห้านะัา่นเามมหาความส ง, รงบระงับวองไฟในจิตของเจ้าของนี้เหตุมาแล้วพอสุงขันนะ้วเนี่ยเครื่องนึงกามนึงกเท้าบันเดียวเ้ามนเท้าสิจูนในบ้านแต่หายเท้าพิจนาอยจังกันบ่ได้บวชแหายใจไม่เป็นรกบวชให้พิจนาเห็นมันบวเป็นอย่างเดียวกันมันม่นเลเกิดประโยชน์อีกย่งแฉ<อ>นะบวนนั่นมันเป็นยุคพอบน่ะ ร้ายมันก็ร้ายมันร้ายหายเ่เจีงซานอย่อันนี้พีจ่จะให้มาภาวนาอือภาวนาเดือดจิตใจแต่พจ้หาดีวจังเทีอันนี้มันเป็นผู้ประาพาบเมืองตุนของมันทำรายกายเจ้าของจกักพี่ไเห็นมีอย่างถูกพั ง, งนาตาสะเกิดตะรุสังเวทมันก็เกิดกระช่าเกิดก้มเท้อเดีเ๋ยวปับพี่จนะไดหน้าพันยังไม่ไวนึ่งาตะรุสังเวทแต่มันเศร้าทำกลมตัวถ้ามันเศร้ามันก็เป็นศีลบาดแหมยี่ว่าใจไหน ถามว่าเห็นของบุีมันก็มูจักบาจักกรรมเนีบถามันเห็นยังสินหลมันเศ้าอ like mm. ันนบุด um> ีบอกามันเศ้ากายก็ดีว่าจาก็ดีเด้อนั่นมันก็เลืเป็นสินได้วันนี่เลยเป็นสินอบาทักไรมันก็เลย่เป็นสินเมื่อไม่มีบาไม่มีกมจิตไ่มีพวกจิตจิตใจเขาก็สงบมันก็เป็นสมาธินี่เรื่องมันเป็นัตว์นี่เมื่อสมาธิมีี่เป็นส่วนปัญญามันก็เกิดฉะนั้เราคงเห็นดอก ทางบอกทั้งหลายภาคเพจนั่นแม่อัชนะอเดียรเป็นตัวทอดเป็นฟาหันผีสุดท่ายขุนกะมีตัวเป็นไปรักษาสีนอยู่ไส่ไปทำสมาธอยู่ไสไปภาวนาอยู่ไสอยู่หันแล้วอาการที่มั่นสรดสังเวชขึ้นเดียวมั่นเห็นเดี่ยวเป็นตัวมกราดดื้ออาการนั่นมั่กะเป็นถิ่นเมื่อคนมัมีความผิดเดี่ยวใจมันก็อยากเย็นสบายสงบมันก็เป็นสมาิปล่อยเดี่ยวดื้อว่างเนี่ย เมืองบ้นงบกเกี่เป็นสวมันเกิดปัญญาพิจิณาลวงดูทั้งหลายได้ขั้นทํำเอาเดียวน้่เนี่ยสร้างท้ำเดียวกับพิจิณาถ้ำมันได้เกิดเป็นสิลเกิดเป็นเสมาพิธีเกิดเป็นปัญญาได้เกิดเป็นมรรคในคณะอนันต์เนี่ยแล้วพาเข้ายจเท่าทั้งหศสงสัยว่าเอยในก่อนนี่ยสมัาคือมีบุญวาสนาหลายเจนเดียวนี้ก็มีคื้กันเดียวนี่ก็มีคือกันเอ็นได้ขึ้นกันทั้งมือถ้าเราเข้าใจในธรรมะ้มันแจกชกับไปมึงู มันละมันว่างกระดอกเข้าน่ะมันละมันว่างมันละบ่อยเดียวนี่มันจะไปละอยู่ผนอื่นบุตรอื่นบุตรก็แหละอัสนะอื่นผอัตนะอื่นผลก็ได้บหเมื่อนีู่หมื่นโมโหเมื่อนี่เมื่อมื่นมันจะต่อโหมัอนี่ทาร่าสนใจในธรรมะอย่าไปวอาอย่างพื่นอันธรรมะนะธรรมะือธรรมชาติอันนี้เนี่ยข้ามีอยเป็นอยู่หันเดีวเจ่าเฮ็ดยังกะทัายางทัมันจริงให้มันจังไอ้มันเห็น เห็นอนิจจังเห็นโธ่ขังเห็นอนัจจะเห็นของโมมันโมเทียงในสกุลนรกอันนี้เท่านั้นแล้วอนี่คือคือคือธรรมะไปเห็นอย่างนี้เห็นหมดแต่ปีหน้าเห็นศาสนาว่าจริงนี่เห็นไายเห็นนกเห็นหนูเห็นทุกสริงทุกย่ามแต่ได้แปลกเขาเห็นตัวใหม่พวกเขาละกากระนองเพราว่าเป็นโอ้พระไรแต่ทำโมแปลกนั่นน้องเขาน้องเขาเพราะม่นเป็นธรรมมาเบ็น เห็นสั้ก็เป็นธรรมะสั้นหน่อยเป็นธรรมะสั้นใหญ่เป็นธรรมะเห็นก่อนยินเห็นก่อนยิ้นเช็นยินเห็นยาเห็นธรรมะอือเพราะเป็นธรรมชาติเวลานี่นั่นถามูรจักธรรมะเนี่ยเป็นส่วนกเห็นเห็นกนของธรรมชาติของธรรมะแต่ก็เห็นก้นธรรมชาติของธรรมะเลี่ยห้องกันียประเพติปิบทีปเพราะนั้นเนี่ยธรรมะอือม่นเป็นอื่นไกลอีญังเราพูดเรื่องทั้งหลายแล้วนี่เดียวอันนี้คือส่วน้างเป็นอีกเรื่อามีศรัทธา แล้วจะไปหาเพื่อนอะไรทําไาจะไปหาวัดนั่นไปหาวัดนี่ไปหาอยู่ในป่าอันเป้นอยู่ในป่านี้ก็เพราะเวลาะคนอยู่ในป่าเขาจะบอกอยู่ในร่างกายเข้าเนี้แต่หาคนอยู่วัดเขาจะบอกให้เข้าดีการตั้งถ้มสมมตินี่คือการมันตอกตั้งหลายตอกฟั้งให้มันเข้าใจให้มันรู้เรื่องของมันจ้ะหจุดไหนเดี๋ยวกับพี่ยหน้าวันไหนนําเนินอย่างไรเดี๋ยให้จิตมันเป็นอย่างไรให้จิตเขาคนจากทุกข์ คนจากสมุดผลจากบัรยัตสมุดอยู่ใสบัรยัตอยู่ใสผลบนไหนนั่นเองความทุกนั่นเองไอ้ความทุกนั่นเองนั่นนั่นเนี่อืมนั่นเนี่อาจารย์ใหญ่เนี่ยอาจารย์ใหญ่ความฮักนี่ยควบสร้งเน่ยนั่นเนี่ยอาจารย์ใหญ่อืมนั่นที่ว่าจากไหนอันนี้บนรักบรรเวทเน่ยนี่บนรพูชางที่ว่าจากนี้อืม ความทุกข์นี่ความทุกข์นี่ความหักนี่ความสังนี่มีเรื่องพุทีบอกความช้าเอาว่าจะไหนใจเข้แติทสุขติดสบายมันกับแมเนต์เนตัวติดทุกข์ตินอยากมันกับโมเนต์นตัวติดักมันก็บโมเมน็ตัวติดั้มันกับโมมน์เ็ตัวนี่อันนั้นเดียบอกตูวเข้าปฏิบัติแต่ว่าจะบอกหัวใจตีแยงเป็นยังผจากความหักหักกันนะมันพลาดทุกลองอี เอ า, เาก็้เวิ้มอยู่บาดอยู่เพื่อนหักผู้ไรหักยังไม่ไาารขโมลนั่นแหละมันจะเป้าถูกแล้วมึงดูโมเสาร์ต้องให้โมจ้กควบคุมมันดีอยตีทิ่มตัวจะตินอนตัวจตินอนใจมันหักอะไรอันไหนยโทรเขามันหักอะไรอันไหนเยโทเข้าจําม่ ไ, ไก็ได้ดีขันโมแมนนํามาเขียนก็ได้เออนีเบางมึงดหนี่มันแม่จะตั้นถ้าันอ า, ศ า, ศ า, านสารหักจิตจำบุญเค้ามันนี้หักมันนี่ตั้งเลี๋ยวเอาหักเอาจั้งมาตจะได้นนนเดี๋ยวสอนใจเข้า ยงไมเขาข้างนั้นยังมเขาข้างนี้นั่นนี่ตัวบังคับมันมันกับฝั่งใจบังคับฝั่งขั้วกาไปหันนี่เมื่อเห็นบอกกลามสุกกันยิายยวโคอันตีมันทายยวโคที่ว่าจะไงพระธเจ้าเขาเลากัตลเลยอันนงพันเทศใมสร้างห่งตัวอืมนะย้อนทางพุทธกาลนี่ขางนี่กจะเป็นตัวข้านี่ขนทาศรกัจะบอกต้องรู้หรอกขนศรดสร้างโดยบริาลํารอกิเป็นสัตน์โยบราลแบบพิานนี่ไห่ ที่มืองเอากายังเมืองเอาแัดกินในใจเขานี่ไม่เกยเป็นเรื่องสั่นตัวแต่ถ้าใครจะวอกน้ำนรู้ๆขันร้างหรอยางอิ่างเมืองมดมีเมืองเอากุ้งมีวอร์ใช้มีบอร์เยอะส น, นั่นนี่ทำที่วัดใจไหนเอาออกแคดตีกันจะเอามันพาถทุกข์าดยากแต่เาเห็นบอกอันนี้พักอันนี้คือพลาดอันน้ักคือันนพาดก บ่วมเมนบอกนองไปเบิใครทุกข์เรื่องเนียน้ยจะเกิดว่านี่มันมเมนบักนะโมโหจะทุกข์กันเนี้ยไปฮักเบื้องกระทุกตัวนี่บาคนโมโหจะทุกข์โมโหจากเหตุเกิดของทุกข์ก็คือฮักกันเน้วมันเป็นเหตุทุกข์เกิดมาที่ว่าจากไห น, นเออ น, น, ห น, นีมันตัวนีนะ้สารตบอกกันว่าไปประมาณมันโมแมนเดีบวกันเป็นทุกข์เรื่องเนี้ยทุกข์เรื่องเผิดแกวจินตนาการมแล้วแล้วบ่ แกคินได้เราเกิดกิ่นต้องด่าง no no ็นใจับยิ่งทุกข์ได้ขนาดบอกนิทกข์ก็โน้อยกล้วยนิทกข์าเือยกล้วยขื้นรู้นี่มิทุกขกแกร่มันเอาเน่าได้บอกนถูกข์ก็โน้อยมันนีนี่แต่โน้นมันดูดเมื่อตรงดางติดโจรทั้งมดนี่น้อยหนียางติดโจรทั้งหมดสียทายละเนี่ยมันถูกขล้ขนาดไอ้เพื่น น, นั่นมันใช่ไสีโพเห็นธรรมะกระดี้วมันนีอยู่ตุกคนตุกุนเห็นตัวขณะเดียวคนท่ามันบอกอยู่สู้มือสู้ยามาเดี๋ยวมันจะธรรมะขันโภยเห็นธรรมพี่น่าธรรมะเดในข้วเทวดาพระพุทธเจ้าหรอเรกมันน่เท็ินัยเนี่ยมันถูกน้มันไหนไม่ว่านี่ถูกน้งความามันอยากมันอยากมันว่าห้ถูกเกิดไดีกนี่ อะรอันนั้นว่าอะไรนี่เขาได้ได้มากๆว่านนั้นมันก็ดีใจแต่เนี้ยพักว่าก็ดีใจนี่มันเสียไปกระทุกี้ที่ว่าไงกัมพูชีตัวทําจะไปหาอะไรอยู่มึงไปกระสูเพราะไม่ได้เจาะกระสือทีนี้กระสือว่เนี้เนี่ยตามมาสุดกานิการโยโคอัตติมิทายโยโคที่ทุดสองขางเยี่ยิพ บอกน้ำใจใจมันเปลียนแค่นั้นนักปฏิบาาัติประเทศจังไดฟั่งเล้วหูเลี้ยวเมื่อบ้านบานอยู่มันสีหูยักษดอกบานหม่อยมันทักผูน้นั้นหน่อยมันชั่งพวกนี้นั่นเดงใจพิจาจรนาบานพี่จราานาควบข้างแต่พี่เจรนาควาาบชั่งใหพย่างหลานใจห้าบานอย่ายไปเ ข, ข, ข้าข้างนั่นอย่าไปเข่าข้างนี้นั่น อมีประคองใจเฮ้าประคองใจธรรมะประคองใจมัจประคองใจว้นทางมันจิตตกเหวเป็นตัวคักมันก็เป็นเหวส่างมันก็เป็นเหวนั่นให้มันไปมันจิตตกเหวมัให้ตกบ่ตกมันจะไห้เจอเหตุตัวเพรามานบ่ามันเสียมี้บ่ถูกบ่นั่นถูกลาบากเป็นเหวแค่สิตัวมันก็มีอยู่สิตัว แล้วก็ม่หูอันนี้เนี่ยพระพุทธเจ้าเขานี่ยรัศดรทำตั้งมาลูอันนี้แห่ะขันมารูเทโล อ, อันนี้มันเป็นยังถูกพังกระถามมันเป็นเห <c oughs> นีุนี น, นั่นความภาคีมากหายว่างมันว่ความช่างนี้มากหาว่างมันว่ายว่างบ่ได้สนใจเขาก็ไปหาเออนั่นมันก็เห็นนี่จสันได้ปฏิบัติขนาถ้าหากว่าเราหลุกแจกเรียจังเสียความหาคเนี่ยมันบ่สงบ ความจั่งมันก็มาสงบความหมุนว้ายความบวชความจั่งเนี่ยมันสงบน่นนี่คือนี่คือตัวศาสนานี่คือตัวธรรมะนี่คือผูทีศาสนาเออนั่นเพลงต้องนี้เพ่งต้องนี้เพลงต้องความสงบนี้อันนั้นทาาไว้ปัิพานอืมท่าไว้ปัิพาน มันอบอกลาบอกหลังไงมันเป็นตัวโรกอุตตรภัณฑ์ไบอกว่าจะกันนั่นนั่นแล้วัวนที่สงบันสงบจ ย, ย่างนั้นสงบอยากคล้อทุกสงบจากคล้อทุกสงบอากคล้อหักสงบอยากคล้องั้งแน่ทสไปใช้แล้ว น, นี่เพลงลหันบัไลอยไมลงหันทีว่าจ ไ, ไห น, ไนไสอนมันงมาหันอืม ะม่เคยหายหน้าบอกแตมันปีนห้องห้องห้องเป็นยังห้องโควคเป็นตัวห้องจะของลงห้องโกเทนบอกเนือหายหน้ามันคือถานมันตรงตรงแต่ไอ้ข้อยมูจักห้องเน่ะห้องโกโคไปสุดตัวมาใจเจ้าของบาเข่าห้องใช่ไหมมันคือมีทีอยู่ป็นอย่างเช่นว่าม่จักรายมันลงบนทันแต่ลายแในยอื่นแท้เมื่อกีส่ตัวบนีบนพฤศิบานติวันไหมมันแม่นตรงนี้บนหัน มันไม่ม anyway, the ีเหตุตัวหันมันเบิดตัวบ้านแต่มันหามันมีหามีสร้างมันก็มีเหตุตั่หันเนี่ยอันมีเหตุก็มีผลตัวหันเนี่ยอันนี้เกิดก็มีตายตัวหันเนี่ยคิดว่าจะไหนอันนี้คือการนะเนี่ยอันมี้หามันก็มีสร้างอั่นีสร้างมันก็มีหาไปสวรรค์มันห่วงมันรกไปนรกก็ห่วงไปแล้วนี่จะขาดเดนี่ว่าโภกานคิว่าจะไหนเนี่นี่พระเจะาห้พิจารณาพระพุทธเจ้าข้าพก็เห็พิจารณา มันเป็องอยู่ไกลอ้าวมองอยู่ไกลเห็นนี้วัตถุพจนเนี่ยมูนเหยียบจูยำดูวตถเนวดี๋ยวไปนั่งสมาธิวันไหนเนี่ยจไปพหน้าเนีไรอีกนี่มันเห็นบอลมันเดี่วรักมันจะมีเดียวโดดแตว่าจไงอือพยายามจมีเนี่ยมูนอันนี้ติปามันต้องไป็นง่ายๆมูนเ็นี้เ่อะละครบชัว คือกันก็เบรกเข้ามาเนี่ยจังเลกเขาสีเรี้ยกอย่างไรเขาจับเรียกดิบมาทีเดียว่าจังเล็กเขานั้นคเขาเอี้ย้อนเทอยชูขุนตัวเตาขุนตัวสูอยู่ด้วยจี่มันแหลงพยังจุนตัวอืมจีบว่าคอนกเร่อเขาถึงมีลูกสันตัวมันจะงปะมีเป็นเสี้ใหม่ไห้มันอ่อนมันหยุดจะขุนตัวหรือที่เรียี่บอกเมื่อวานน้่งติดนาพากเลีวยเมีเป็นเสี้ยมไหมว่า อันนี้คือขั้นนั่นแนวมันนั่งรับตายให่มันอ่อนแน่นิมันระเสถินแน่ให้มันกินเขาแรกมือนมันอ่อนเอามันเขาไฟเขามันโยนเขียนให้มันได้ฟังไปพิจารณานั่งรับตาให้มันสงบถ้าระเสถินี้ย่มันออกอย่างพอมันนี่แล้วเทศมันย่อมแตก่อนตู้เด็กตอนนี้เี่ยคือไฟมันเก็ดยอมแหนะวัน่อนเนื้อซแต่กะเปียดเอาแล้วุนีเดี๋ยวเสียมบ พีเปียวเปียวบอกตีขวนบอกตียัยบ ง, ยงบาาอกว่าทำไมนั่นเป็นตีอะไรวะานตัวหานเป็นตีเดดเดียดเป็นตีอกบ่นี่นนวกเ้นจะพาเขานีาา่